มรามดิลาเนี่ยเาว่ามีครอบครัวหนึ่งนะมีลูกสาวคนเล็กเป็นเด็กฉลาดพ่อแม่ก็เลยรักเอ็นดูแล้วก็เอาอกเอาใจเด็กอยากได้อะไรก็ให้ไม่ว่าเด็กชอบอะไรพ่อแม่ก็หามาให้ พอเด็กโตนะอายุสักเจ็ดแปดขวบพี่น้องเนี่ยใครมีอะไรเนี่ยถ้าตัวเองอยากได้นี่ก็ไปแย่งไปยึดมาเป็นเช่นนี้เนี่ยเรียกว่าจนกระทั่งกายเป็นทิสัยไปเลยม่วันหนึ่งพ่อแม่นะนะไปวัดนะแล้วก็นั่งสมาธิเด็กก็ ตามไปด้วยก็อยากนั่งสมาธิกับพ่อแม่แม่ก็เลยแนะนำวิธีการนั่งสมาธิให้คำบริกรรมนะพุโทโธเด็กสาวเนี่ยพอนั่งสมาธิไปสักครู่นี้ก็สงบเลยนะแล้วก็เกิด น, นิมิตนะนิมิตก็แปลกดีนะมันเป็นตัวอักษรสองตัวององงูกับกอไก่เด็กก็สงสัย เราให้แม่ฟังแม่ดียินก็ขำนะนะเดี๋ยกก็ถามว่ามันอะไรอะ่ะแม่ก็บอกว่างงูกับกอไก่นี่มันอ่านว่าอะไรงกสีนะิแล้วเดี๋ยวก็ถามต่อไปว่าเอ๊ใครงกนะแม่ก็เลยบอกว่านี่มีของใครก็มันก็ของคนนั้นแหละเดี๋ยวก็เลยถามว่าหนูงกเหรอ ตอนหลังเนี่ยพอพี่น้องรู้เข้านะเวลาเด็กคนเนี้จะขออะไรพี่ก็จะบอกว่าเนี่ยง ก, นะงก์นะงกงกแล้วเนี่ยตอนหลังเด็กก็ค่อยรู้ตัวนะว่าตัวเองนี่งกนะและว้วก็นิสัยก็เปลี่ยนนะเรื่องนี้ก็แปลกดีนะในแง่นึงก็เชื่อว่าเด็กเนี่ยเจ็ดแปดขวบ ก, ก็นั่งสมาธิได้ โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยนะไม่ได้ถูกบังคับเย็ดเยียดถ้าเด็กแต่ละคําแนะนำํำวิธีที่ง่ายๆเด็กก็สา ม, มารถที่จะนั่งสมาธิได้แต่ไม่ใช่แค่นั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วเกิดความสงบเท่านั้นนะบางทีในสมาธิเนี่ยมันก็มีสิ่งเตือนใจให้เด็กรู้ด้วยเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ชอบขี้ขอ อยากได้ของใครไปหมดนะมันก็มีบางสิ่งมาเตือนใจเด็กน ะ, ะปรากฏเป็นนิมิตนะไม่ได้เป็นภาพแต่เป็นตัวอักษรงองงัว ก, กอไก่เหมือนกับว่าในใจของเด็กคนนี้มันมีคนะุณธรรมบางอย่างนะที่มาคอยเตือนให้เด็กเขารู้ว่าเนี่ย นะเขามีนิสัยไม่ดีอะไรบ้างเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปนะว่าใ น, ในใจเราเนี่ยมันมีเจ้าตัวร้ายที่คอยยุยงนะยุยแย่เป่าหูปั่นหัวให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกให้ทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าให้จมอยู่ในความทุกข์แต่ว่า ใจของคนเรามันไม่ได้มีแต่เจ้าตัวร้ายนะมันมีคุณธรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นกุศลอยู่ในใจด้วยอยาจจะเรียกว่าตัวกุศลก็ได้นะตัวกุศลเนี่ยนะมันบางครั้งก็ช่วยเตือนนะให้เรารู้ เพื่อที่เราจะไม่พลังเผลอทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องและในใจของเด็กเนี่ยแม่เด็ก 7-8 ขวบนี่มันก็มีคุณธรรมหรือว่าตัวกุศลอย่างนี้อยู่นะนะที่คอยเตือนปกตินะถ้าเด็กไม่มองตนเนี่ยก็ไม่เห็นหรอกนะแต่ว่า พอนั่งสมาธิเนี่ยนะตัวกุศลนี่ก็ทำงานเลยเตือนแต่เจ้าตัวยังไม่รู้นะตรงกระทั่งแม่พูดให้ได้คิดว่าเนี่ยใจเรางกนะในใจไม่ใช่ในใจของเด็กคนนี้คนเดียวนะเด็กทั้งหลายเนี่ยหรือว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยมันก็มีตัวกุศล อยู่ในใจนะไม่ใช่แค่เจ้าตัวร้ายอย่างเดียวซึ่งทั้งตัวกุศลแล้วก็เจ้าตัวร้ายนี่ก็เรียกว่าขับเคี่ยวต่อสู้กันในใจเราตัวกุศลที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยทำให้จิตใจเป็นสมาธิได้ง่ายเท่านั้นนะแต่ยังช่วยทำให้เกิดปัญญาแล้วเกิดคุณธรรมหลายอย่างเช่นความเมตตากรุณาเนี่ยเด็กบางคนนี่ก็มี ความเมตตากรุณามีน้ําใจเนี่ยโดยที่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนนะอย่างเด็กชายคนที่เจ็ดขวบเนี่ยพอรู้ว่าเพื่อนทําเงินหายแล้วก็รูว่เพื่อนนี่จะต้องเดือดร้อนมากเพราะพ่อนี่ดุนะเพื่อนทําเงินหายไปสิบบาทนะสาหรับเด็กคนนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าพ่อรู้เข้านี่คงจะ ตีคงจะเครียดเด็กคนนี้พอรู้ข้านี้ก็อยากจะช่วยะตัวแต่ตัวไม่มีเงินนะใช้เงินหมดไปละซื้อขนมก็เลยไปขอเงินแม่แม่ก็ไม่ให้นะพอบอกว่านี้เพื่อนทาเงินหายก็ต้องรับผิดชอบตัวเองสิแต่เด็กคนนี้ก็ยังรบเร้าเนี้ยพอแม่ไม่ให้ก็เลยบอกว่าเนี้ยงั้นขอเอาค่าขนมของวันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน พรุ่งนี้เนี่ยแม่ไม่ต้องให้ผมนะ10 บ, บาทขอวันนี้เลยนะจะไปให้เพื่อนตัวเองเยอมอดค่าขนมนะเพื่อจะช่วยเพื่อนอันนี้เป็นกาหนึ่งความมีน้ำใจซึ่งแม่หรือพ่อนี่อาจจะไม่ได้สอนหรืออาจจะไม่ได้สนับสนุนเด็กซ้ําแต่ว่าเขามีอยู่ในใจของเขาที่จริงจะว่าแต่เด็กเจ็ดขวบเลยนะเด็กทารกแบบเบาะนี่ก็มีน้ำใจนะ มีความเห็นเห็นใจก็เคยมีการศึกษาี้เพราะว่าเด็กเนี่ยเด็กทารกในอายุ1 0บถึงสิบสี่เดือนเนี่ยถ้าเกิดได้ยินเพื่อนทารกดยการนี่ร้องเนี่ยนะขาจะรู้สึกกระวนกระวายเหมือนกับรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนไปด้วยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเพราะยังไม่มีสติปัญญามากพอรู้แต่ว่าเป็นทุกข์นะ แต่พอถ้าเกิดว่าอายุมากหน่อยนะสิบสี่เดือนขึ้นไปเนี่ยถ้ารูว่เพื่อนมีความทุกข์ร้องไห้เนี่ยจะไม่อยู่เฉยแล้วจะเข้าไปหาแล้วก็หาทางช่วยเช่นเอาของที่ตัวเองชอบไปให้อาจจะเป็นขนมหรือของเล่นอันถ้าอายุมากกว่านั้นเนี่ยเช่นสบสเดือนขึ้นไปเนี่ยนะอา18บดเดือนนี่นะ จะรู้จักเลือกแล้วว่าจะให้อะไรนไม่ใช่ให้ของที่ชอบของที่ตัวเองชอบนะแต่เป็นของที่เด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะชอบเมื่เด็กเขาก็เริ่มมีหัวคิดนะแต่เขาไม่มีแต่หัวเข่งเด็กก็มีนะจิตใจมีน้ำใจด้วยอันนี้ก็เป็นคุณธรรมนะที่จะเรียกว่าเด็กแล้วการปลูกฝังมาก็ไม่ถูกนะเพราะบางที่พ่อแม่ก็ไม่ได้สอนเนื่องจากยังเด็กอยู่ แต่ว่ามันมีอยู่ในใจของเขาเอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวกุศลอย่างหนึ่งนะที่มันทำให้เกิดคุณธรรมความมีน้ำใจถ้ตัวกุศลเนี่ยมันก็ทำให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมหลายอย่างที่บางทีผู้ใหญ่อาจจะนึกไม่ถึงนะไม่ใช่แค่ มีน้ำใจอย่างเดียววานทีเขาฉลาดนะเขารู้นะอะไรที่มากกว่านั้นด้วยอย่างน้องไอ้เนี่ยเด็กอายุสี่ขวบมั้งวันหนึ่งก็วิ่งไปชนประตูกระจกนะนึกว่าประตูมันเปิดนะแต่ว่า ประตูมันปิดน้องก็เดินวิ่งชนกระจกประตูกระจกอย่างแรงเลยร้องโอยเลยแม่ได้ยินนะอยู่ในครัวแม่ก็รีบวิ่งจะมากอดเพื่อปลอบลูกนะให้หายเจ็บน้องไอซ์บอกไม่ต้องไม่ต้องโบกมือบอกไม่ต้องไม่ต้องน้องไอซจะนั่งสมาธิเด็กนั่งสมาธิเพ่ทำไมาพราะเด็ รู้ว่าเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้วเนี่ยความปวดมันจะลดลงอาจะเป็นเพราะว่าพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ความหงุดหงิดความทุกข์ใจในมันทุเลาลงหรือว่าเป็นเพราะสมาธิมันทาให้จิตเนี่ยวางความเจ็บความปวดลงได้เพราะว่าใจมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจแทน พอใจอยู่ก็รวมหายใจมันก็มันก็วางความเจ็บความปวดลงหรือพอจิตมันผ่อนคลายนะไอ้ความทุกข์กายมันก็บรรเทาพอบางไปด้วยหรือเดี๋ยวจะรู้ว่าเนี่ยพอตั้งสมาธิแล้วมันก็จะหายโกรธนะพอความโกรธมันบรรเทาเนี่ยไอ้ความปวดมันก็ทุเลาพ่าเวลาคนเราเนี่ยนะ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เนียพอปวดขึ้นมานี่มันจะโกรธแล้วบางคนก็หาทางระบายความโกรธด้วยการทำร้ายหรือทำลายสิ่งที่ทำให้ตัวเนียเจ็บปวดเช่นอ่ะวิ่งไปชนประตูกระจกเนียปวดก็เลยต้องหาอะไรมาทุบมาตีประตูกระจก บางทีพ่อแม่ก็สอนอย่างนั้นนะเด็กไปผนไปกระแทกกับโต๊ะเนี่ยเจ็บขึ้นมาบางทีพ่อแม่ก็ปอบลูกด้วยการตีตีโต๊ะนะพอเด็กเห็นพ่อแม่ตีโต๊ะมือว่าได้แก้แค้นมันก็หายโกรธใจจริงมันก็ไม่ได้ช่วยนะ เมือนกลับซ้ำเติมทำให้เด็กเี่มีนิสัยที่ชอบตอบโตนะ้ที่แรกก็อยากจะทำร้ายหรือว่าทุบโต๊ะต่อไปก็อาจจะทำร้ายคนก็ได้ที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดแต่น้องไอนี่ตรงข้ามนะไม่ได้รู้สึกอยากจะทำร้ายหรือทุบตีประตูกระจกเลยนะแต่กลับมา นั่งสมาธิพอรู้ว่านั่งสมาธิแล้วเนี่ยความเจ็บปวดมันจะทุนเลาอาจจะเป็นเพราะความโกรธมันบันเทาหรือเป็นเพราะจิตเนี่ยมันไม่ไปจดจ่ออยู่วร่างกายส่วนที่ปวดนะก็ได้ไเด็กคารู้นะมันโดยที่ไม่มีใครสอนแต่ว่า หรืออาจจะมีคนสอนแต่ว่าไม่ได้สอนตรงๆเด็กเขาก็มีประสบการณ์นะแล้วก็เขาก็เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายนะอยากให้กายปวดน้อยหลงก็มันนั่งสมาธิให้ใจมันสบาย น, นี่คือเป็นตัวอย่างของอุสลที่มันมีอยู่ในใจของเด็กซึ่งสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ เวลาการเวลาจะฝึกให้เด็กมีสมาธิเด็กมีเมตตากรุณาหรือเด็กมีสตินี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะอยู่ที่วิธีการนะของผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ว่าเนี้จะไปบังคับยัดเดยียดเขาหรือเปล่าหรือว่าใช้วิธีการที่ทำให้มันเป็นธรรมชาติเด็กมันเดี๋ยวก็ทําได้ดีกว่าผู้ใหญ่หรือทําในสิ่งที่ผู้ใหญ่เนี่ยไม่คิดว่าเด็กทําได้นะ อย่างเช่นการฝึกให้เด็กเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจนะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้ใหญ่ที่ทำได้ เ, เด็กก็ทำได้แล้วบงนีก็ทำได้ง่ายนะพร่องไหลลื่นนะมากกว่าผู้ใหญ่ที่ซ้ำอาจารย์ประสงค์นะท่านเคยเล่าว่าเนี่ย ไปเจอเด็กคนหนึ่งในงานศพนะพ่อแม่เป็นเจ้าภาพนะเด็กก็ทำหน้าที่อุปถากพระเด็กอายุมาสักสิบขวบเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ ก, ก, กลัวพระแล้วก็มีสัมมาคาระวะพูดจาก็คล่องแคล่วจ่าประสงค์ท่านก็ เ, ออเห็นว่าเด็กนี่ฉลาดเป็นเด็กดีนะก็เลยบอกว่าเนี่ย หนูเป็นเด็กดีนะ ห, นหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วก็ดึงรูปประคออกมาจากย่ามเด็กพอเห็นรูปประคเด็กก็ร้องอ uh ูู้อาจารย์ประสงค์ท่านวัยท่านก็เลยถามว่าเนี่ยหนูร้องอ uh ู้ฮหนูเห็นอะไรแต่ที่เด็กจะตอบว่าหนูเห็นรูปประคำนะนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะ หนูเห็นข้างในมันดีใจคือเห็นความดีใจน่นเด็กก็ไม่ได้ตอว่าหนูดีใจนะแต่เด็กตอว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะาจาประสงค์ก็ถามตอไปแล้วหนูทำไงกับมันหนูก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันคหนูก็แค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันเบาลงแล้วความดีใจลดลงแล้วว่าสิ่งที่เด็กยิงคนนี้พูดเนี่ยก็คืออะไร คือเห็นนะไม่เข้าไปเป็นเห็นความดีใจไม่เป็นผู้ดีใจแล้วสิ่งที่เด็กทำมากกว่านั้นคือว่าพอความดีใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นเฉยเฉยนะแต่ว่ารู้สื่ๆด้วยนะรู้สื่ๆคือ อ, อไม่ทำอะไรกับมันมีความดีใจก็แค่ดูมันเฉยเฉยอันเนี้ยที่ครูบาใจเรียกว่ารู้สถ้าเด็กเขาทำได้อย่างสบาย แล้วก็รวดเร็วฉับไวมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็กไปเลยอ้นี้มันแสดงเห็นนะว่าเนี่ยมันไอ้เรื่องตัวกุศลเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของทุกคนเลยซึ่งรวมถึงเด็กด้วยวก็รวมถึงเราทุกคนนะมันไม่ได้มีแต่เจ้าตัวร้ายที่คอยมาเสี่ยม คอยมาปลุกปั่นให้เราทำผิดหรือว่าทำให้เรามีความทุกข์โดยไม่จำเป็นหรือว่ามัวแต่เติมทุกข์มาใส่ใจแต่ว่าเรายังมีคุณธรรมหรือว่าตัวกุศลนะที่มันช่วยสับสนให้เราเนี่ย มีคุณภาพจิต ท, ที่ดีแล้วก็มีความสุขง่ายไม่ว่าจะเป็นสมาธิเมตตากรุณาสติรวมทั้งความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะที่มีอยู่ในใจเราทุกคนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะช่วยกันส่งเสริมนะสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นในตัวเรา หรือว่าในตัวลูกหลานของเราได้อย่างไรแต่บางครั้งเนี่ยการเลี้ยงดูเนี่ยหรือว่าการไม่เลี้ยงดูการปล่อยปละละเลยเนี่ยมันก็ทำให้ให้ตัวกุศลเนี่ยมันถูกทาลายลงไปทีละนิดทีละนิดอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาเวลาลูกเนี่ยมา เ้าซีก็ตัดปัญหาให้ไปดูเอาโทรศัพท์ให้เด็กไปดูไปเล่นซะเด็กจะได้ไม่ร้องไห้เด็กจะได้ไม่มากวนเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กสองสองขวบขวบครึ่งนี่ก็เล่นโทรศัพท์มือถือเป็นละพ่อแม่รู้ว่าบุญญาตายายเนี่ยไม่มีเวลาหรือว่า ไม่ใส่ใจที่จะดูแลก็ยื่นโทรศัพท์มือถือให้แล้วให้เด็กไปไปเล่น เ, เด็กเด็กนี้ก็เปิดดูฟังเพลงดู u ู u b e ดูนิทานาต่างๆสารพัดแต่มันก็ไม่ได้ดูแค่นั้นต่อไปมันจะดูอย่างอื่นด้วยแล้วก็สาระของสิ่งที่เห็นทางโทรศัพท์นี่มันก็มีแต่จะ ส่งเสริมเจ้าตัวร้ายเนี่ยให้มันมีอำนาจมากขึ้นขณเดียวกันไอ้ตัวกุศลเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยค่อยๆถูกกัดกร่อนบันทอนไปทีละน้อยทีละน้อยจนบางทีเด็กเนี่ยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่ายแล้วก็ เป็นคนที่สมาธิสั้นอันนี้ก็เลยว่าพอโตเป็นผู้ใหญ่นี่ก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่อย่างที่บอกนะมันมีตัวกุศลเนี่ยป็นสิ่งที่เราควรจะส่งเสริมให้มีมากขึ้นแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยนะก็คือเนี่ยสติคือความระลึกได้แล้วก็ความรู้สึกตัว ซึ่งก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของสปปรรพชัญญะในการทำให้เด็กเนี่ยนะรู้จักสติคุ้นเคยกับสติแล้วก็มีความสึกตัวนั่มันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยและนี่ก็เป็นสิ่งที่มีความหมายสาหรับผู้ใหญ่ด้วยไม่ว่าจะเรียนรู้สูงแค่ไหนนะจะรู้วิชาการอย่างไรเนี่ย มันทิ้งไม่ได้เลยนะสติกับความรู้สึกตัวเนี่ยยิ่งมาสนใจไฝ่ทําด้วยแล้วเนี่ยสติที่มันเป็นพื้นฐานความรู้สึกตัวก็เป็นสิ่งที่เกื้อนหนุนเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเคยมีคนถามถาอาจารย์เขมานันท์ว่าช่วงเวลาไหนเป็นเวลาที่เหมาะสมการภาวนา เวลาไหนเวลาเช้าเวลาเย็นตื่นนอนก่อนนอนท่านบอกเวลาที่เหมาะการภาวนาคือตอนที่รู้รู้สึกตัวนี่แหละนะรู้สึกตัวเมื่อไหร่นั่นแหละคือเวลาที่เหมาะการภาวนาจริงๆถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหรนะ่นั้นมันเวลานั่นแหละคือเวลาที่เหมาะการทำสิ่งดีงามไม่ว่าจะเป็นการใหทานไม่่าเป็นการทำบุญหรือว่า การทำงานการประกอบอาชีพเวลาที่หมอนี่คือเวลาที่รู้สึกตัวนั่นแหละถ้าทำตอนไหนนะั้นขณะนั้นก็เป็นเวลาดีขณะ ด, ดีในความสึกตัวเนี่ยนะที่จริงมันก็มีกับเราอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าเป็นเพราะเราไม่ค่อยรู้จักมันเป็นเพราะเราไม่ค่อยใส่ใจนะบางทีเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกล หลายคนพยายามปฏิบัติเพื่อให้รู้สึกตัวแต่ที่จริงเนี่ยมันมีอยู่กับเราแล้วเวลาเราใส่ใจกับการสวดมนต์เนี่ยถ้าตอนนั้นใจไม่ลอยไม่คิดอะไรเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกตัวแล้วเวลาเรากินข้าวถูฟันถ้าใจเราไม่ได้ลอยไปไหนใจเราอยู่กับการกินข้าวถูฟันตอนนั้นเรารู้สึกตัวแล้วล่ะ เร า, า จ, จะสัมผัสถึงความสึกตัวได้นะโดยเพราะเวลาที่เราเผลอเช่นใจลอยเนี่ยคิดโน่นคิดนี่แล้วมีคนเรียกชื่อเราไอ้ตอนนั้นแหละนะภาวะตอนนั้นแหละที่เราทิ้งความคิดกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวนั่นแหละคือความรู้สึกตัวแล้วมันไม่ใช่ว่าต้องไปจดจ่ออยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของร่างกายเช่นลมหายใจหรือที่ท้องหรือที่มือหรือที่เท้ามันมความรู้สึกตัวมมันนความรู้สึก ร, มรวมๆนะซึ่งเกิดขึ้นกับเราอยู่เนืองๆแต่ว่าไม่ค่อยต่อเนื่องและบางทีเราก็ไม่ค่อยเห็นค่าของมันเราก็เลยใช้ชีวิตไปในทางที่บันทอนกัดก่อนความรู้สึกตัวหาเรื่องคิดนะรวมระั่งหลงเข้าไปในความคิด หรือว่าเพลิดเพลินกับอารมณ์ต่างๆโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกตัวน้อยลงความสึกตัวเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับถ้าเปรียบเหมือนกับห้องนะก็เป็นห้องที่โล่งแล้วก็สว่างที่โล่งที่สว่างนี่นะมันจะไม่มีพวกมแมลงสาหรือหนูหรือว่า ง, งูเนี่ยมันอยู่หรอก มแมลงสาบหนูหรืองูเนี่ยนะมันล้วนแต่อยู่ในซอกอยู่ในมุมอับอยู่ในที่มืดตรงไหนที่โล่งตรงไหนที่โปรง่งสว่างเนี่ยไม่มีพวกนี้หรอกอใจเราก็เหมือนกันนะพอใจเรารู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะสว่างบันทีเขาเรียกว่าตื่นนะพอตื่นเมื่อไหร่เนี่ยหรือสว่างเมื่อไหร่เนี่ย้พวกสัตว์ที่มันคอยนะอาศัยมุมมืด อาศัยมุมอับเนี่ยซุกซ่อนอยู่ก็จะหายไปเลยมันจะอยู่แต่ในมุมอับถ้าเราปล่อยใจให้มืดมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาสิงเข้ามาอาศัยเจ้าตัวร้ายเนี่ยนะมันก็อาศัยมุมมืดอาศัยยามที่เจ็ดเนี่ยมันมันไม่รู้สึกตัวมันมืดมันซุกซ่อนได้แล้วมันก็ สามารถจะอาละวาเถื่เกริมได้แต่พอเราเปิดใจของเราให้สว่างด้วยความสึกตัวเนี่ยนะโอ้มันมันหนีไปเลยนะมันหลบหายไปเลยไอ้เจ้าตัวร้ายนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยเพราะความหลงอาความหลงเป็นอาหารของมันในทางตรงข้ามพอมีความสึกตัวเนี่ยความสึกตัวเนี่ยเป็นอาหารของตัวกุศลทําให้กุศลจะเลย ง, งอกงาม แล้วพอตัวกุศลจเจริญงอก ง, งามก็ขับไล่เจ้าตัวร้ายไปเองเหมือนกับน้ำเสียเนี่ยนะเราไม่ต้องเสียเวลาไปสูบเราแค่ปล่อยน้ำดีนะน้ำดีมันก็ไล่น้ำเสียไปเองเราไม่ต้องไปสูบทิ้งหรือไม่ต้องตักน้ำเสียไปทิ้งเหนื่อยเราปล่อยให้น้ำดีเข้ามาน้ำดีก็ไล่น้ำเสียงั้น้เราสร้างตัวกุศลเริ่มต้นจากความสึกตัวมากๆเนี่ย มันก็จะขับไล่เจ้าตัวร้ายเนี่ยหรือว่าความคิดที่เป็นอกุศลต่างๆเนี่ยออกไปรวมทั้งความทุกข์ด้วยรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็หายทุกข์มันก็ตื่นมันก็เบิกบานเหมือ น, นั้นแต่ถ้าหลงเมื่อไหร่มันก็สามารถจะโดนอารมณ์ต่างเข้ามาครอบงำเศร้าโกรธเครียดเกลียดหรือว่าทุกข์ทรมานหุดหงิด ให้ทำให้อารมณ์พุทธิคามคอบงาใจแล้วก็เป็นอาหารของเจ้าตัวรายเนี่ยเราก็ต้องพยายามสร้างความรู้สึกตัวให้มีมากขึ้นหรือว่าถนอมรักษาความรู้สึกตัวให้ เ, ออเหลหอเเเือย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะช่วยทําให้คุณธรรมหรือตัวกุศลแม่ใจเราเจริญงอกงามและทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขความโปร่งเบาและความมิสระอย่างต่อเนื่องเย็นนี้พุท่านี้นะกรับพระ